รายการอิสานเถิเพิ่งโดยบ้าวสมิทธ์บุญปรันขอร่วมสืบสารศิลปะประเภทอิสานบ้านเฮากับสุดยอดบันเลงดนตรีลํำเพิ่นโดยทีมงานอิสานเถิดเพิ่ง